มาถึงเรื่องของเราต่อเลยนะกล่าวถึงอริยสัจเนี่ยนะมันเป็นถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษาพระธรรมในพระศาสนานี้เลยคือเพราะว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาทั้งหลายที่เรียกว่าตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรผลก็คือการตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นเอง โดยเฉพาะนิโรธสัจจะเนี่ยนะ น, นขณะใดาที่แทงตลอดนิโรธสัจจะคือพระนิพพานขณะนั้นแหละเรียกว่าขณะที่บรร ล, ลุอริยสัจการบรร ล, ลุอริยสัจนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตในวัฏฏะสงสารเห็นหสำหรับผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะสงสารผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อจะบรร ล, ลุอริยสัจนี่นะบางคนก็เคยให้ทานมา เวลาให้ทานก็ตั้งความปรารถนาถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยก่อนโน้นสมัยที่มีพระอริยบุคคลจริงๆนะซึ่งยุคนี้เนี่ยอาจจะมีละแต่ว่าเราก็ไม่สามารถติดยี่ห้อท่านได้นะว่าใครเป็นไม่เป็นเพราะว่าอริยคุณทั้งหลายก็คนที่เป็นด้วยกันเท่านั้นแหละจึงจะรู้ถ้าใครไม่เป็นเนี่ยเราจะไปเดาสุ่มเลยว่าองค์นั้นเป็นองค์นี้ไม่เป็นเป็นต้นเลยนะ ในสมัยที่อย่างเช่นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอริยะคนที่ตั้งความปรารถนาอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยนะเวลาเขาให้ทานสายบาทท่านเหล่านั้นเขาจะของ่ายๆว่าทำใดที่ท่านตรัสรู้แล้วขอข้าพเจ้าจงมีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยเอถอดเนี่ยคือขอให้มีส่วนตรัสรู้ตาม อันนี้เรียกว่าถ้าไม่รู้หลักการหลักเกณฑ์อะไรเลยนะตั้งความปรารถนาแบบนี้ก็ได้อันกลุ่มเราจึงพยายามแนะนาอย่างหนึ่งเลยว่าไม่รู้อะไรมากก็ช่างเถอะเวลาไหว้เวลากราบพระพุทธเจ้าก็ตั้งความปรารถนาบอกขอให้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ า, านพระองค์ตรัสรู้อะไรแล้วค่อยว่าอีดหนึ่งนะชั้นแรกขอตรัสรู้ตามก่อนแต่พวกที่เขาตรัสรู้ทำกันเนี่ยนะ เขาตั้งความปรารถนามานานแล้วตั้งความปรารถนามาเพื่อบรรลุอริยสัจอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับอันนี้นับวันที่ได้รับพุทธภรรย์นะแต่ถ้านับตั้งแต่วันตั้งความปรารถนาเพื่อออกจากว ต, ตะเนี่ยท่านคิดมาสี่อสงไขยแล้ว เ, เออขออภัยยี่สิบอสงไขยเศษอีกแสนกับ ท่านคิดเพื่อจะบรรลุอริยสัจเนี่ยนะเป็นโครงการที่ไม่มีอะไรยาวกว่านี้อีกแล้วโครงการยาวที่สุดในวัตะเนี่ยนะคือโครงการที่ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจภาษาลิบุตรท่านก็ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกับพระเทวทัตนี้ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจมา ต้องสองอสงไขยแสนกับนะพระเทวทัตนะตั้งความปรารถ น, นานานกว่าภาษาริบุตรเพราะว่าพระเทวทัตนี้ท่านเป็นว่าที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าคือผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกในอนาคตยนะบางคนนี้ให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาบางคนก็สมาทานศีลแล้วก็ตั้งความปรารถนาบนรรลุอริยสัจไ บางท่านก็เจริญสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรุอริยสัจการตั้งความปรารถนาเพื่อบรรุอริยสัจเนี่ยเป็นการขอใช่ไหมก็มีบางคนบอกว่าเอ๊นิพานเนี่ยขอได้เหรอขอเอยเฉยเนี่ยขอได้เหรอขอได้ไหมคุณนภา อไม่ขอไม่ได้นะต้องปฏิบัติเองคือคำว่าขอในที่นี้เนี่ยไม่ได้ขอแบบขอทานเราต้องคิดนะว่าอันนี้สับเป็นโวหารภาษาไท ย, ยนะถ้าปรารถนามันก็เป็นชื่อของตัณหาอีกนั่นแหละถ้าถ้าว่าเล่นสับกันแล้นะถ้าเล่นศับอะ่ะทีนี้คำว่าขอหรือคำว่าตั้งความปรารถนาอันนี้เรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิทีอนตั้งอุปตั้งอุปนิสัยตั้งอุปนิสัยเอาไว้ ไม่ใช่ว่าขอแบบขอทานขอแล้วได้ทันทีไม่ใช่เป็นการขอในลักษณะนั้นแต่เป็นการตั้งอุปนิสั ย, ยว่ากุศลที่ได้บําเพ็ญแล้วนี้จงเป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจในในในช่วงข้างหน้าต่อไปอันในกุศลทั้งหลายที่ที่บุคคลตั้งความปรารถนานี้ก็สดแทแต่ว่าเขาปรารถนาจะบรรลุอริยสัจแบบไหน อย่างพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรู้อริยสัจแล้วบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนคนอื่นให้ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามา น, นะภาษาริบุตรท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านได้ประกาศอริยสัจช่วยพระพุทธเจ้าเรียกว่าประกาศตามเหมนะหมุนตำธรรมจักธรรมจักรก็คืออริยสัจนั่นแหละ ขอหมุนธรรมจักหมุนอริยสัจ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็คือเป็นผู้ช่วยกิจพระพุทธเจ้าในการประกาศอริยสัจ น, นะสำหรับผู้ที่มีใจรักที่จะแสดงอริยสัจประกาศอริยสัจทีนี้บางคนเนี่ยสอนเองไม่ได้อย่างอนาถบินทิกะเศรษฐีใช่ไท่านตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้ช่วยเหลือผู้ประกาศอริยสัจ ขอให้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยสัจท่านก็แต่เป็นการช่วยด้านปัจจัยสท่านก็เลยเป็นเลิศในทางบริจาคทานนะเป็นเลิศที่สุดในการบริจาคอย่างนางวิสาขาก็เหมือนกันเป็นเอตทะคะฝ่ายหญิงในการบริจาคอนาถก็เป็นเลิศทางฝ่ายชายในด้านบริจาค ก, ก็คือบริจาคสถานที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยสัจบริจาคสถานที่ให้ เข้าฟังอริยสัจ น, นะบริจาคอาหารให้คนปฏิบัติอริยสัจได้ได้รับประทาน น, นะพันก็วนๆอยู่กับอริยสัจเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็ตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมว่าตรัสรู้พุทธะก็รู้รู้อริยสัจก็เป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงเกี่ยวพันอยู่ในอริยสัจอยู่ตลอดเวลาตั้งจุดมุ่งหมายทุกอย่างก็เพื่อบรรลุอริยสัจเนี่ยนะ พันการศึกษาอริยสัจนี่ก็ถือว่าเป็นยอดของการศึกษาพระธรรมคำสอนในพระศาสนานี้แล้วพันใครที่ฟังอริยสัจแล้วเอาอริยสัจไปตรึกไปเพ่งไปพิจารณาไปคร้ครวนไปเจริญได้ก็ถือว่าสำเร็จวัตถุประสงค์ของการศึกษาพระศาสนานี้แต่ถ้าหากว่า ยังเอาไปพิจารณาเอาไปใคร่ครวนไปเพ่งไปตรึกเรื่องอริยสัจยังไม่ได้อันนี้ก็แสดงว่าการตั้งความปรารถนาของเราอ่อนเกินไปอย่างวันวันหนึ่งเราไม่ค่อยได้คิดถึงอริยสัจเลยก็แสดงว่าจุดประสงค์วัตถุประสงค์ที่เราตั้งเพื่อบรรลุอริยสัจนั้นอ่อนมากเราจึงไม่สามารถเอาเรื่องอริยสัจมามาคิดได้มากนะนเ ถ้าเราคิดอริยสัจเท่ากับคิดถึงใครบางคนเนี่ยนะโอ้ด้ดีแน่เพราะแต่แต่หมายความว่าแต่ละวันเนี่ยเราก็เปลี่ยนเรื่องคนคิดไปเรื่อยใช่ไหมแต่วันไหนที่เราสนใจคิดถึงเรื่องของใครมากที่สุดนะเอาเป็นเปลี่ยนเป็นอริยสัจแทน น, นะสนใจอริยสัจใครครวญอริยสัจเพ่งอริยสัจได้เท่านั้นก็ที่สุดก็คงตรัสรู้แน่นอนอันที่ยริงก็สี่คำอะนะไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรนะ นี้ทุกนี้ทุกขสมูุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามมนีปฏิปทานนะแต่ถ้าถ้ามันยังน้อมนึกไม่ได้นะทำบุญก็ตั้งความปรารถนาไปเถอะนะเรียกว่าปลูกฝังจิตใจให้เกี่ยวโยงให้เกี่ยวพันในการตรัสรู้อริยสัจเพราะันคนที่ แนวแบบสูตรคุณวุนชูก็ได้นะเสียมไม่คมก็เอาด้ามให้มันหนักเข้าไว้ก็คือเอนไปหาอริยสัจอย่างเดียวโอนไปหาอริยสัจอย่างเดียวนิ่งกล่าวว่านั่งนิ่งก็คิดถึงอริยสัจลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนก็อริยสัจเมื่อไรก็อริยสัจอย่างเดียวไนงะถ้าอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีเข้าโครงแล้วละ่ะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนก็มันไม่รู้มันจะที่ไหนก็ไม่รู้ไนงะ ถ้าเรามองโครงรวมอริยสัจไม่ออกก่อนนะอย่างการเจริญไตรศสรขาของเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไปไประชุมอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะเออเนี่ยรักษาศีลอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันจบที่ไหนให้ทานอยู่ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยนะมันจบที่ไหนใช่ไหมกิเลสมันเลวเหลือเกินมันไม่ดีเนี่ยนะต้องการละแล้วมันละที่ไหนต้นต้นเนี่ยันถ้าโครงสร้างหลักการเดิม คืออริยสัจไม่แม่นยำเนี่ยนะมันไปไปมาๆมันก็มันก็ห่างไปเรื่อยห่างไปด้วยห่างไปเรื่อ ย, เ, อยเพราะฉะนั้นความสนใจในอริยสัจซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่เรียกว่ายอดที่สุดนะถ้าสร้างเจดีก็มุ่งจะให้มันเสร็จที่ยอดใช่ไหมยกให้มันถึงยอดก่อนนี่ก็เหมือนกันอริยสัจนี่ถือว่าเป็นเป็นยอดของเจดีเนี่ยนะเป็นยอดของเจดีแต่ยอดนี้หมายถึงมรรคสัจนะทุกษัตริยนะ์ไม่ได้เป็นยอดอะไรหรอก มักกสัตร์นั่นแหละที่แทงตลอดนิโรัจจะถือว่าเป็นยอดขององค์พระเจดีก็ว่างๆทบทวนนะนะมนาศิการอารมณ์อะไรก็ตามคิดถึงเสียงก็สัทธะศัทธสมุทัยศัทธนิโรศสัทธานิโรธาโราคา ม, มินีปฏิปทาชหมอยุพินได้แล้วใช่ไหมทันตาได้แล้วใช่ไหมได้แล้วนะวันนี้กี่รอบแล้ว อ๋อหลายรอบเหมือนกันน ะ, ะแจวแล้วก็วีผมเกษาเกสาสมูทัยเกสาเนโรดเกสาเนโรถ้ถาามิหนีปฏิปทานะียิ้มปับ๊บเห็นเห็นฝันเห็นฟันของเขาก็เกษาเกสาสมูทัยเกสาเนโรธเกสานิโรถ้าถถ า, ามินีปฏิปทาเนี่ยวีผมก็เอาสักทิงกันยังดี เห็นเขายิ้มเห็นฟันก็เนี่ยทันตะทันตะสมุทัยทันตะนิโรธทันตะนิโรธคาไินีปฏิปทาเวลาดูตาของเขาเห็นตาใครก็ช่างตาตัวเองก็ตามเนี่ยจากโขจากโขสมุทัยจากโขนิโรธจากโขนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าเร า, รมาไม่ระลึกถึงถ้อยคําเหล่านี้เอาไว้นะอย่างเช่นเกษา ปริญญาสมเราจะไม่คิดต่อไปเพราะว่ากิจของของทุกขสัตว์คือปริญญาใช่ไหมกิจของสมุทัยศัตร์คือละละวิปลาสในสิ่งนั้นอันนี้ต้องละอสังขตะธาตุโดยที่ชำแรกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปฏิเวทเนี่ยก็คือบรรลุหรือแทงตลอดนะนีแทงตลอดนี่มันต้องชำแรกออกจากสิ่งนั้นแล้วแทงตลอดอสังขตะธาตุแล้วมีผมเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นยังไงจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เป็น ้ายเดียวกับมัคคสัตถ์ถ้าโครงสร้างหลักการจุดแรกตรงนี้ไม่ชัดอันอื่นนะ่าจะไม่ชัดด้วยเพะน้นเจริญกุศลก็เป็นเจริญกุศลที่โบราณภาษาไทยก็เรียกว่าเบี้ยหัวแตกนะ น, นะก็ได้มาก็ใช้ไปเรื่อยนี่แหละนี้ก็เหมือนกันการเจริญกุศลของเราก็เป็นการเจริญกุศลประเภทประเภทวัตตะส่วนใหญ่เลยนะประเภทวัตตะส่วนใหญ่ เ้มื่อกี้ปล่อยปลานี่ตั้งความปราเถนะขอให้ปล่อยตัวเองหลุดจากว่าตะบมากๆแล้วปราเถนะตอนนี้ก็ได้ไม่สายอะไรใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เจริญกุศลใดๆก็ช่างแต่ไหว้พระพุทธเจ้ากราบพระรัตนตรายก็หมั่นละเลือกอยอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆปิดฮะ อันที่จริงเนี่ยที่บทที่ว่าเกสาเกสาสมุทรไทยเกสานิโรตเกสานิโรธคามณีปฏิปทานี่นะหรือจักสุจักสุสมุทรไทยเนี่ยจกัจกสุนิโรจักสุนิโรธคามณีปฏิปทานเนี่ย <c oughs> อันที่จริงเนี่ยนะคำนี้เนี่ยเข้าใจเข้าใจดีกว่านี่ทุกนี่ทุกขสมุทรไทยนี่ทุกขนิโรต นี่ทุกขานิโรธขามันมีปฏิปทานะแล้วเรามาเริ่มตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็จะชีย่ยวเห็นว่านี่ตัวนี้เนี่ยคือตัวทุกเนี่นะอันนี้จะเห็นชัดเลยนะเพราะมองเห็นชัดเลยว่าเออตานี่นะมันเป็นมันมันเป็นอทุกมีไ ห, ไหมฮะแล้วมันจะต้องทํำยังไงกับมันเนี่ยอันนี้เป็นการเริ่มที่ดีมากเลยเข้าใจเลยครับว่าเออไอ้ตาเนี่ยนะ ม, นมันมันมีมันมันต้องทําปริญญาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วพอบอกว่าเออตาสมุทัยเนี่ยเออเราก็ไปยึดในตายยังไงเนี่ยฮะแล้วอะไรทําให้เกิดตาขึ้นอผมว่าเริ่มตรงนี้คนที่จะที่ยังไม่เคยเข้าใจมาก่อนนะฮะน่าจะเข้าใจดีคือคําว่าทุกนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธค่ามิเนปฏิปทาเนี่ยเข้าแสดงกับพวกมีปัญญาสูงมากเนี่ยไง เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาสูงเนี่ยนะมันจะมาชี้ชัดเป็นรายอันรายอันเนี่ยมันไม่ทันปัญญาของเขาอะ่อนนะนี่ทุกไปเลยตรงๆไปเลยแต่ถ้าเป็นพวกปัญญาน้อยๆลงมานะนี่ปัทวีธาต์อ่านนะนี่ชรา ม, มรณชรา ม, มรณสมุทัยเนี่ยนะพวกนี้จะไล่ไล่แบบละเอียดยิบไปหมดเลยพวกปัญญาไม่มากจะเป็นลักษณะนั้น นี่ของเราก็โดยทั่วๆไปโดยมากเรานิยมเอาของผู้มีปัญญาเต็มที่มามามาคิดเช่นเอาปัญญาแบบเอาเอาอะไรเอาธรรมจักมาคิดมัง่งเนี่ยนะอริยสัจในธรรมจักซึ่งมีแต่หัวข้อพระอัญญาโกณทัญญาท่านฟังแล้วบรรลุเลยของเราก็ฟังมาไม่รู้กี่รอบแล้วหรือเอาพระธรรมที่เรียกว่าเขาบรรลุกันง่ายๆนะเราก็สนใจประเพ่ากลุ่มนั้นโดยที่ยังไม่รู้ว่าเขาบรรลุอะไร แต่พระธรรมที่พระองค์แสดงอย่างกว้างขวางละเอียดก็มาตรึกไม่ค่อยได้ก็คือระลึกไม่ค่อยได้ทรงจําไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดอะนะนีเออเนี่เรามาเจริญมาศึกษามาปฏิบัติเนี่ยมันจบที่ไหนกันแน่มันเริ่มจากตรงไหนอ่ะนะแค่ไหนเรียกว่าท่ามกลางตรงไหนจึงเรียกว่าเป็นที่สุดอ่ะนะเริ่มต้นต้นเป็นยังไง ทำไมจึงเป็นต้นเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ต้องตอบให้ได้ทั้งหมดนะตอบได้จนมั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่ทานี้ไม่ไม่ผิดอะนะไม่ผิดทั้งโดยหลักการเหตุผลทั้งผลของการปฏิบัติเพราะไม่ใช่ศัก์แต่ว่าเชื่ออย่างเดียวซึ่งคนที่กุศลเจริญมากๆพิจารณาได้ยาวได้ต่อเนื่องเนี่ยนะเขาจะมีความมั่นใจเหล่านี้สูงมากแต่คนที่ยังเจริญได้ไม่ค่อยมากอะไรไม่ค่อยมากนะ ก็ต้องย้อนไปทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้มากๆเพราะว่าถ้าฐานไม่ค่อยดีนะฐานไม่ค่อยดีมันเจริญไม่ค่อยได้อยู่แล้วล่ะเชื่อเลยว่าเจริญไม่ได้ถึงรู้ว่าอริยสัจเป็นเรื่องดีพอคิดถึงคำว่าอริยสัจตั๊บก็เริ่มแห้งแรงแล้วเนนไะหสูตรคุณบุญมีว่างไงนะอะไรเห็นเข้าเปลือกไหมนั่นแหละนั่นแหล ะ, ล ะ, ละเห็นแล้วก็พระประถานไม่ลงว่างั้นเละ นสูตรคุณมูนมีคิดเองทีนี้พอมาทรงจำในอริยสัจเนี่ยนะสำหรับพวกที่เรียนไม่ได้เรียนธาตุพิธามมาอย่างละเอียดอย่างกว้างขวางพวกนี้ก็เอาแบบมาคิดแบบหยาบๆเลยก็ได้ความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ น, นะนถ้าอริยสัจมีสี่ไหมถ้าจำได้แล้วทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอามาคิดนะ ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยนะความเศร้าโศกเป็นทุกข์ความคร่ําครวญก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์ความทุกข์ทางใจก็เป็นทุกข์พระธาจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์เนี่ยนะประจวบกับสิ่งที่รังเกียจก็เป็นทุกข์หวังอะไรก็ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โดยย่อ คืออะไรก็คือชีวิตนี่แหละมันนั่นอ่ะอีกสูตรหนึ่งพ่อองค์บอกว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ไงมีอีกสูตรหนึ่งพ่อองค์บอกาา ก, ก, อต ก, ก, อก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันคือตัวทุกข์ล่ะแล้วเกิดอะไรเกิดก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันก่อร่างสร้างตัวแล้วอะไรแก่ล่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันทุดโทมเรียกว่าแก่แล้วตายล่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันใช้งานไม่ได้ต่อไปเลยเรียกว่าตาย น, นะเสียใจก็เกิดจากอะไรนะก็ไอ้ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี่แหละมันทําให้เสียใจนร้องไห้ก็เพราะไปเห็นไปได้ยินเป็นต้นนี่แหละมันจึงทําให้ร้องไห้คําว่าได้คําว่าเสียก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจยนั่นแหละเพราะถ้าอีกใครชอบพิจารณาอายตนะภายในหกมากก็อาจจะชัดแต่ถ้าใครพิจารณาขันห้ามากต้องขยายขันห้าอีกครั้งหนึง่ง นะซึ่งเราจะกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนี่มาดูรวมๆก่อนนะว่าในอริยสัจแบบพลาดหน้าเก้าเนี่ยบอกว่า <war> รู้ชัด ต, ตามเป็นจริงวนันนี้ทุกรู้ชัด ต, ตามความเป็นจริงวนันนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยย่อมรู้ชัด ต, ตามความเป็นจริงวนันนี้ทุกขนิโรธย่อมรู้ชัด ต, ตามความเป็นจริงวนันนี้ทุกขะนิโรธขขาไม Munich, นินีปฏิปทาเนเ่ยนะ <S <S <S แล้วการพิจารณาอริยสัจเนี่ย อย่างนี้นะเป็นภายในบ้างภายในตัวเราก็นี้ทุกเหมือนกันนะนี้ทุกขสมุทัยอสังขตะธาตุก็เป็นทุกขนิโรธท่าทำปริญญากําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอันนั้นเป็นทุกขะนิโรธคา ม, มินีปฏิปทาคือเริ่มคิดแบบห ย, ยาบๆคร่าวๆก่อนนะแล้วค่อยซอยละเอียด น, นะคิดอย่างเงี้ยเป็นภายในบ้างคิดเป็นภายนอกบ้างคิดทั้งภายในทั้ง ภายนอกบ้างถ้าจะคิดภายนอกนะเอาแบบผู้ที่ประสบความสําเร็จมาคิดก็ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรูว้ว่านี้ทุกคือชีวิตของพระองค์นั่นแหละใช่ไหมนี้ทุกขสมุทัยก็กิเลสเป็นต้นนั่นแหละที่ทําให้พระองค์เกิดขึ้นนี้ทุกขานิโรธอสังกตาธาตุพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วนี้ทุกขานิโรธาคามิหนีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วท่านบทนี้นะถ้าคิดถึงพารยะจะเห็นชัด ว่าพระอริยะเหล่านั้นท่านเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งในบทคืออริยสัจจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้จริงพระอรหะอริยาสาวกพระอาหารหันทั้งหลายท่านเหล่านั้นท่านเพ่งอริยสัจ ท, ท่านเห็นอริยสัจกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาเป็นภายนอกกันนะพิจารณาเป็นภายในเมื่อไหรเราจะตรัสรู้แบบพระอริยะเหล่านั้นบ้างสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเนเนื่องจากสัตว์เหล่านั้นไม่เห็น อริยสัจนี่แหละก็คิดเรื่องอริยสัจทั้งภายในทั้งภายนอกผู้ที่บรรลุอริยสัจเป็นยังไงผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้แบบมองแบบหยบยาบโครงสร้างคร่าวๆก่อนทีนี้ถ้ามาลงละเอียดเลยว่านี้ทุกเอทุกเป็นยังไงก็มาดูว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะชาติแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์คือชราแม้ความตายก็เป็นทุกข์คือมรณะเนี่ยนะ แม้โสกะปริเทวทุกโธมณอุปายาตก็เป็นทุกความประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกว่าเป็นทุกความพราดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักกว่าเป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกเนี่ยนะย่ยอๆจะกล่าวไปแล้วก็มีอยู่เท่านี้แหละนนะถึงจะเอานี่คือวิธีการทาตีรณปริญญาแบบ ย, ย, ย่อเนี่ยนะ ผู้มีปัญญานะเขาฟังแค่เนี้ยเขาไปตรึกได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วก็ถ้าจะว่าไปจริงๆนะชีวิตที่ที่น่ากลัวมันก็มีน่ากลัวอยู่เท่านี้แหละ น, นะแล้วก็มันก็เป็นภัยด้วยในะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นภัยอยู่อย่างนี้แหละชีวิตจะเมื่อไรในการไหนก็สูตรตายตัวเหมือนเดิมคือเกิดแก่เจ็บตายโสกะปริเทวะทุกขโทม น, นัอุปาญาตปไปเจอกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักมั่งพลาดาจาก ของรักบ้างแต่ว่าย่อๆก็ขันท่าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ละ่ะทีนี้ถ้ามาขยายให้ละเอียดขึ้นนิเทศในหน้า30สนิเทศนั้นก็คือเอาเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละมาไข้ครวญมาพิจารณาให้ละเอียดเช่นชาติเป็นไงนความเกิดความบังเกิดความยังลงเกิดความเกิดจำเพาะ คำนี้นี่ถ้าเป็นสายบาลีเลยเนี่ยนะเขาฟังออกว่าคำพวกนี้เป็นสมมติกาถาไม่ใช่ปรมาต์เนี่ยนะก็เป็นถ้าเป็นคนแขกเขาฟังออกเลยว่านี่เป็นคำพูดแบบสมมติโวหารทั่วๆไปแบบพูดแล้วคนฟังเขารู้เรื่องทันทีเลยแต่ถ้าเป็นแบบพวกเรียนอภิธรรมมาก็บอกความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติ นนะชาติก็คือการก่อร่างสร้างตัวของขันท่าหรือการประชุมของอายตนะความที่สิ่งเหล่านี้เจริญเติบเตบก่อตัวนั่นแหละเรียกว่าชาติเทรานในหน้าสิบเนี่ยตรงคำว่าชาติเป็นฉนัยเนี่ยความเกิดความบังเกิดความยังลงเกิดจำเพาะ อ, อันนี้เป็นสมมุติติกคาถะเขาก็ไม่ได้เคร่งครัดว่ามันจะต้องเป็นปรมัจา์อะไรหรอกเพราะว่าบางคนเขาฟังแบบนี้ เข้าใจเลยแต่ถ้าพวกเรียนประมาสมาเยอะก็บอกว่าความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าชาติอันนี้หมายความว่าปฏิสนธิจิตและกรรมชรูปใช่ไหมครับโดยทั่วๆไปเนี่ยคาว่าเกิดเนี่ยเราจะเอาจุดไหนเป็นเป็นตัวหลักแหละเนี่ยนะก็อย่างอย่าว่าทางธรรมะเลยแม้กระทั่งชาวโลกอะ่ะนะเวลาทําอะไรทั่วๆไปเนี่ยทําบัตรประชาชนทําอะไรก็ต้องเอา อายุเทา่าไร่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะกสาวไปหาจุดเริ่มต้นก่อนเป็นลําดับแรกนะทั่วๆไปนะโดยแม้กระทั่งสมัครงานทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะถามเรื่องอายุกันก่อนเนะี่ยนะมันก็ถามเออเอาจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์เนี่ยนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของพบนี้อ่ะนะเจนทอนมันถ้ามองตรงนั้นใครว่าถ้ากําหนดตอนเกิดได้แล้วนะหลังจากนั้นไม่ใช่ปัญหา พอหลังจากนั้นก็ชาราเป็นไฉไหนก็ดำเนินมาหาความแก่ภาวะของความแก่ฟันเนี่ถ้าใช้มานานๆานมันก็มันก็หลุดเลยนะบินเลยให้พูกันบินเลยนะคนก็หลุดไปเป็นอันเลยนะถ้าเป็นผมก็งอกขึ้นผิวหนังก็ย่ น, <c oughs> นเนี่นนะ นะทั้งย่นทั้งด่างนะก็ตกกระใชนะ่ความเสื่อมแห่งอายุความแก่งง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นนั้นอันนี้เรียกว่าชราก็ไม่รู้จักก็หันซ้ายหันขวาก็เห็นแล้ ว, ลวยกมือขึ้นก็เห็นนั่นแหะนั่นแหละสภาพแบบนั้นแหละนั่นนี่นะดีนะปีนี้นะนะปีหน้าหนักกว่านี้อีกอีกห้าปีข้างหน้านี้ดูแทบไม่ได้เลยจะไม่มีสวยขึ้นงามขึ้นไม่มีมีแต่ ถ้าถ้าเป็นแบบสำนวนในชาดกอะนะก็พระโพธิสัตว์เนี่ยเขาเป็นเทวดาใช่ไหมก็ไปหาแม่สีเก่านะไปเพื่อจะสอนนี่แหละไปถึงก็เอาถาดทองเนี่ยใส่เหรียญทองมาให้เลยบอกว่ามาสู่ขอเนี่ยโดยใช้ให้ถาดทองกับเหรียญทอง่ให้กบอกไม่เอาอะเขาขอใจรักเดียวใจเดียวกับนนแหละคนที่ตายไปแล้วนี่นแหละ นัคนใหม่มาไม่ยอมถาดทองกับเหรียญทองไม่เอาวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ก็มาใหม่เอาถาดเงินใส่เหรียญทองมาเมนไหมก็ไม่เอาอีกปั้มจีรถเลยใช่ไหมวันหลังมาอีกเอาถาดเงินใส่เหรียญเงินมาก็ไม่เอาอีกมันวันหลังก็เอาถาดเงินใส่เหรียญทองแดงมาวันหลังก็เอาถาดทองแดงใส่เหรียญทองแดงมาก็ผู้หญิงเขก็เห็นไะหมเมริสีก็บอกว่า เขามีที่ไหนเขามีแต่การไปเพิ่มราคาขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่นี้ทำไมมันลดลงทุกวันก็มงั้นอ้าวจะไปเพิ่มได้ยังไงเพราะมันเมื่อวานเนี่ยมันสวยกว่าวันนี้อะ <s illes> เพราะฉะนั้นราคามันก็มกั่งมากกว่าวันนี้วันนี้มันก็แก่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อพราะฉะันราคาจะลดลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ไปเรื่อยท่านอาจารย์เคยพูดแล้วบอกถ้าไม่แก่เราจะตายทําไม